ไมต้องปฏิบัติธรรมกันก็เพราะว่ามนุษย์ยังมีความทุกข์กันอยู่คำถามก็ว่าแล้วทำไมมนุษย์ยังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่ามนุษย์ ยังยึดติดอยู่ในภูมิในภพในชาติที่เวียนเกิดตายเวียนเกิดตายภูมิภพชาติเวียนเกิดตา ย, าต ย, น, ตายนี่คือสิ่ง สำคัญที่ต้องมีการปฏิบัติธรรมสันตังตัตสะมนังโหติสันตาวาจาจกรร ม, มมัจจาสมทัญญาวิมุตตสะอุปสัณตสะตาชีโนซึ่งมีความหมายว่าพระอาหารหันต์ผู้เป็นอิสระ เพราะรู้แจง้งผู้สงบระ ง, งับและมีจิตมั่นคงใจของท่านย่อมสงบวาจาก็สงบการกระทำทางกายก็สงบแสดงว่าสงบทั้งหนึ่งคือใจ สองวาจาสามทางร่างกายขึ้นว่าพระอระหันต์ผู้เป็นอิสระอิสระสำคัญตรงนี้เพราะรู้แจ้งอิสระ เพราะรู้แจ้งโยมฟังนาอิสระเพราะรู้แจ้งคำนี้สำคัญอิสระเพราะรู้แจ้งท่านจึงไม่มั่นหมายในภูมิพบชาติเวียนเกิดตายคือภูมิพบชาติ เหนไหมโยมเวียนเกิดตายภูมิพบชาติพระพุทธเจ้าไม่เวียนเกิดตายเพราะไม่ติดในภูมิพบชาติบรรดาเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ไม่ติดในภูมิพพชาตินั่นก็คือเวียนเกิดตาย นี่คือสิ่งสำคัญเวียนเกิดตายแต่พวกเรายังไม่อารหันยังไม่อิสระเพราะยังไม่รู้แจง้งใจย่อมไม่สงบวาจา ย, ย่อมไม่สงบ ทางร่างกายก็ยังไม่สงบสงบตรงนี้หมายถึงว่าสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบแบบจิตไม่ฟุ้งซ่านเพียงขณะหนึ่งนะนี่สงบเพราะรู้แจ้งหมายถึงว่าสงบจากกิเลสถึเออสงบจากกิเลส อันเป็นเหตุให้ภูมิพพชาติสิ้นสุดลงแต่ถ้าเราไม่สงบจากกิเลสเนี่ยโยมเอ้ยสงบอย่างพวกเราเนี่ยนะ <c oughs> วันดีมันก็ดีอยู่หรอกเขาบอกแต่วันที่มีสิ่งใดมาโยวมายุ เราก็เกิดเราก็เกิดใจที่ฟุง้งซ่านรำคาญหดหดฉุนเฉียวด้วยอำนาจของความโลภ ก, ก็ดีความโกโรธก็ดีจนถึงคาว่าความหลงนั่นก็คือโดยความไม่รู้ ก็จัดอยู่คำว่าอวิชชาอาวิชชาความไม่รู้นี้เป็นบ่อเหตุแห่งความเกิดในภูมิพบน้อยใหญ่ที่พวกเราเกิดอยู่ทุกวันนี้เอาละใครจะเกิดในฐานะมั่งมีสีสุขยากจนค้นแค้นอยู่ด้วยความกระเสืกกระสนเพื่อดิ้นรนให้มีชีวิตรอด แต่คำว่าชีวิตรอดเนี่ยรอดได้นานแค่ไหนแต่มาเติมดีไหมเท่าที่อยู่ได้เออกี่ปีจุดจุดจุดบอกไม่ได้เริ่มจับนาฬิกาแห่งหมรณะนะตั้งแต่ปฏิสนธิในคันโยมอยากเข้าใจว่าทุกคนจะได้คลอดหมดนะ ตายท้องกลมภาษาเก่าคนเนี่ยคือตายตั้งแต่อยู่ในท้องของมารดาและมารดาเองก็ตายหรือว่าตายอยู่ในครันแต่มารดารอดหรือว่าเกิดมาแล้วลูกรอดแต่มารดาตายใหม่ๆนิยมก็เพิ่งได้ยินใช่ไหมว่าต้องรีบผ่าตัดลูก ได้แค่เจ็ดเดือนแสดงว่ายังไม่ครบเป็นจัตสาขาที่จะแข็งแรงพอแต่ต้องรีบผ่าตัดเพื่อให้คลอดรอดมาเป็นคนซะก่อนมิฉะนั้นคิดว่าจะไม่รอดเพราะมารดา มีเชื้อโรคชนิดหนึ่งสุดท้ายมันดาก็ตายเห็นไม่โยนหรือบอกเออรอดนานแค่ไหนเท่าไหรต่ตอบไม่ได้แต่เอาะระร่ำรวยหรือยากจนสุขสบายหรือลำบากในที่สุด ทุกคนก็มาถึงวันนี้ก็คือวันที่เราต้องจากภูมิหนึ่งไปสู่อีกภูมิหนึ่งหรือพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งยมสังเกตหพวกเราพูดตอนมีชิดยังไงเวลาจะจา ก, กเราบอกว่าเออเดินทางปลอดภัยนะโชคดีโชคดี เราจะใช้คำว่าโชคดีแต่ไม่มีใครพูดว่าไปสู่สุคตินะเมื่อจากโลกนี้ไปเราพูดเป็นเพียงชีวิตตอนเป็นโชคดีให้มีความสุขนะมีความเจริญให้ร่ำรวยมีเงินทอง แต่เราไม่ได้พูดว่าให้มีสุคติในสัมมาปรายภพที่ดีด้วยบุญกุศลเราจะมีที่พึ่งด้วยบุญกุศลมนุษย์ส่วนมากทิ้งประโยคหลังไว้ เอาแต่ชีวิตตอนเป็นแต่ไม่ได้เผื่อไว้ตอนบอกว่าเมื่อจากโลกนี้ให้มีสุขติพบที่ดีไปแล้วด้วยดีสุขโตเนี่ยนะไม่มีพอบอกว่าไม่มีรู้ไหมว่าพวกเรานี้ขาดอะไรไปอย่างหนึ่ง ขาดอะไรไปเรากำลังขาดบุญภาวะศาสนาสมมนุษย์จึงกินบุญเก่ากันมากกว่าสร้างบุญใหม่กินบุญเก่ามากกว่าสร้างบุญใหม่ ยมสังเกตไหมบางคนอยู่สุขส บ, บายแล้วก่อนเด็กว่าตนนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วจะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้บอกตัมมาบอกคิดปุถุชนแบบหนึง่งอริยชนคิดอีกอย่าง ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะทำอะไรก็ได้หรือไม่ทำอะไรเลยก็ได้ฉันมีเงินแล้วบอกถ้าเข้าใจเพียงคำว่าชีวิตตอนเป็นกับมีเพียงร่างกายอยู่คิดแบบนั้ น, น, นดีแล้วและมันต่างอะไรกับคนไร้จุดหมายและต่างอะไรกับชีวิตที่มีแต่ร่างกายไร้วิญญาณ ไรจุดหมายมันไม่ใช่แล้วเร่ร่อนไม่ใช่โยมต้องมีที่พึ่งเราต้องมีที่พึ่งในที่สุดหลังจากที่ทุกคนใช้ผ่านไปแล้วชีวิตนี โยมต้องมีที่เพิ่งอตมาก็บอกไงว่าทุกคนบอกให้โชคดีเดินทางปลอดภัยแต่ไม่มีใครพูดว่าเมื่อจากไปเราโชคดีหรือเปล่าสุขติสุขติ สุขติสังเกตไหมเวลาเราไปงานศพหนึ่งนาทีบอกให้ไว้อะไรแด่ผู้วายชนหรือแด่ผู้จากไปลุกขึ้นทำความสงบส่งจิตวิญญา ออบลขอพระคุณมากนั่งลงหนึ่งนาทีจบแล้วนั่นหรือสุขติถ้าคิดว่าเติมเต็มชีวิตตรงนั้นเนี่ยเข้าใจผิดแต่สิ่งที่ควรทำถูกไม่ถูก คือการสงบจิตทรงจิตวิญญาให้เขาได้มีภูมิที่ดีพบที่ดีคติที่ดีสำคัญนะแต่เพียงเท่านั้นยมคิดว่าพอหรือในหนึ่งนาทีของทุกคนในงานตรงนั้น แต่มาว่าจิตยังไม่สงบเพียงแต่เงียบลงในขณะนั้นนึกรือว่าจิตสงบลงแต่ถามว่าดีไม่ต่มาบอกดีแต่ต้องดีกว่านั้นก็คือคนที่สิ้นชีวิตถอยชีวิตกลับมาก่อนที่จะลงไปสู่จุดนั้น ท่านทำอะไรไว้คำนี้ต่างหากท่านสร้างอะไรไว้นั่นคือกฎแห่งกรรมพวกเราจะลืมคาว่ากฎแห่งกรรมลืมกันมากถ้าคำหนึงหรือระลึกถึงกฎแห่งกรรม บาปจะหยุดยั้งไปครึ่งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะหมดไปในคนคนนั้นจากอย่างมากไปหาลดลงจนถึงน้อยและถึงน้อยที่สุดจนหมดลงแต่ด้วยความประมาทเราไม่นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเราไม่นึกถึงเรื่องกฎแห่งกรรม เราคิดเพียงว่าปากท้องลืมกดแห่งกรรมโยมเอาปากท้องยิ่งกว่ากดแห่งกรรมระวังระวังระวังระวังมันจะผิดทางแล้วปากท้องก็ต้องคิด กฎแห่งกรรมก็ต้องคิดคิดไปด้วยกันเพราะชีวิตร่างกายกับจิตใจมันไปคู่กันอย่าทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพันณเอาเป็นเพลงไปเสียแล้วไปด้วยกันกายกับ หมายถึงว่าปากท้องและกดแห่งกรรมอย่าคิดเอาแต่เรื่องปากท้องและไม่ะระลึกถึงกดแห่งกรรมยมจะพลาดพลาดตรงไหนเมื่อเห็นเอกลาบเราก็จะหลงมันคิดว่าสิ่งนี้ จะทำให้เราไม่อดไม่อยากอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตอนคิดมันใช่หมดเลยแต่พอทำจริงๆแล้วถ้าคนอายุยืนบั้นปลายพูดเรื่องอดีตทั้งหมดไม่พูดอนาคต หนุ่มสาวพูดเรื่องอนาคตไม่ค่อยกล่าวถึงเรื่องอดีตแล้วนี่มันเป็นกฎของมันอย่างโนะยมจะย้อนกลับมาหาตัวเองใหม่เห็นการกระทำทุกอย่างผิดถูกดีชั่วบาปบุญคุณโทษนรกสวัสด์มิหน้าหลายคน พอเริ่มหันหน้าเข้าวัดหันหน้ามาประพฤติ ธ, ธรรมมาปฏิบัติธรรมดูเหมือนมีประสบการณ์ชีวิตทางจิตวิญญาณมาพอสมควรบางคนอยากจะไถ่าบาปไถ่ไม่ได้บาปไม่ได้ ถ้ายอมย้อนการเวลานั้นกลับไปไม่ได้ทุกอย่างที่ทำไปแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นย้อนไม่ได้ก็แสดงว่าไถ่าบาปไม่ได้เหมอนยมบกชดเชยชีวิตวันที่หิวเมื่อสองปีก่อน โยมนั่งวันนี้อาหารเต็มโต๊ะยาวเหยียดไปหมดโยมบอกว่าจะกินชดเชยให้แต่มามบอกอย่างเก่งก็แค่อิ่มไม่มากกว่านี้โยมไปชดเชยตอนนั้นไม่ได้ถ้าเราย้อนเวลานั้นกลับไปไม่ได้มันมีเพียงคำว่ากดแห่งกรรม ที่จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่การกระทําที่เราได้สร้างเอาไว้นี่แหละคือความเจ็บปวดแห่งผู้ทําบาปนี่แหละคือความเจ็บปวดแห่งคนที่ได้ทําผิดไปโทษทั้งหมดจะเกิดมีแด่เราจิตของเราต้องรับทุกไปด้วย เห็นไหมอยมถ้าอาศัยกายหยาบอยู่ในภูมิกายหยาบนี้ก็ต้องทรมานไปด้วยเขาเรียกกายทรมานแต่จิตเป็นทุกข์กำหนดคำนี้ดูกายเนี่ยทรมานแต่จิตใจสิมีความทุกข์โลกใบนี้ ยมเชื่อไม่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลลาพัทเวียนเกิดเวียนตายไม่รู้จบอบชาติเป็นอนเออนกอนันต์กว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคำเดียวเท่านั้นที่พระองค์กลัวแม้ชาติสุดท้ายไม่ได้กลัวคำว่าฆ่าศึก ประชิดเมืองไม่ได้กลัวว่าจะถูกโค่นบัลลังก์ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ได้ครองบัลลังก์แต่กลัวคาว่าความทุกข์ไม่น่าเชื่อคนะระดับนั้นยมยังกลัวคาว่าความทุกข์ พวกเราก็ยังกลัวอยู่ทุกวันนี้อาตมาก็ยังกลัวอยู่ตอนนี้ที่โยมฟังอยู่ตระมากลัวอยู่นะครับมาทุกข์แล้วผู้ฟังตระมาก็เชื่อว่าพวกเราก็ยังกลัวอยู่ครับมาทุกข์ทุกทางใจทรมานทางร่างกายแต่ร่างกายทรมานไม่เกินร้อยปีมันจะยุดตีลง แต่จิตวิญญาณความทุกข์ตอบไม่ได้ว่าจบตอนไหนเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะจึงยอมสละสุขของโลกีวิสัยหรือสุขของมนุษย์ทั้งหมดทิ้งไว้แต่เบื้องหลัง และก็เดินเพียงกายกับจิตมีชีวิตสแสวงหาโมกขธรรมเท่านั้นยมนึกดูนาเจ้าชายสิทธัตถะทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เบื้องหลังสเสด็จดำเนินโดยคำว่า มีเพียงร่างกายกับจิตใจและชีวิตที่สแสวงหาโมคธรรมแค่นี้คือจุดที่พระองค์เสด็จออกเพื่อหาความดับทุกข์ความพ้นทุกข์นั่นแสดงว่าพระพุทธ ถ้าเจ้าเราหาที่พึ่งอันเป็นแดนกเกษมพ้นจากโยคะทั้งหมดโอคะทั้งสิ้นเครื่องผูกรัฐมัดสัตว์ให้ติดโยพระองค์รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกมีร่างกายก็ทรมานมีจิตใจก็เป็นทุกข์อีก จิงแสแหวงหาไม่ใช่วัตถุสิ่งของไม่ชื่อเสียงเกียรติพระองค์สละตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้ด้วยซ้ำไปทิ้งไว้แต่เบื้องหลังไว้เดินไปไหนโยมว่ามีจุดหมายหรือเปล่ามีมีปลายทางไหมมีมีที่สิ้นสุดไหมมีแต่พวกเราเดินอยู่ตอนนี้ จุดหมายปลายทางที่ไหนสิ้นสุดที่ไหนตอบไม่ได้เลยนี่แหละจิงบอกว่าความทุกข์พวกเรานั้นก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะนานแค่ไหนแต่เจ้าชายสิทธัตถะท่านมีคำตอบ ยอมสละร่างกายเพื่อแลกกับจิตวิญญาณทุ่มเทชีวิตที่มีทั้งหมดเพื่อสแสวงหาโมกะธรรมสุดยอดสองคำนี้ยอมสละร่างกายเพื่อมาแลกกับจิตวิญญาณที่เป็นอิสระเพราะ รู้แจ้งคำนี้แต่ตอนนั้นยังก่อนยังยอมสละทุกอย่างและโยมในรูปธรรมทั้งหมดคือร่างกายสแสวงหานามธรรมคือจิตวิญญาณและอยู่ไหนโยม พวกเรามองเป็นเพียงได้แค่อากาศสทานหรือสิ่งที่มองไม่เห็นโดยตาเนื้อแต่พระพุทธเจ้าสแสวงหาสิ่งนี้จริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นโดยตาเนื้อพระพุทธเจ้าใช้หัวใจ ใช้จิตใจใช้วิญญาณสัมผัสจนถึงที่สุดคําว่าจิตที่บริสุทธิ์ยากไมโยมมาใช้หัวใจใช้จิตใจใช้จิตวิญญาณสัมผัสชีวิตให้ถึงความบริสุทธิ์ที่สุด แล้วยืนอยู่ด้วยความเป็นอิสระจากเครื่องผูกทั้งหมดในภพภูมิชาติยมฟังให้นิ่งนิดนึงใช้หัวใจของเรานะสัมผัสดูใช้หัวใจฟังเสียง ภายในของเราดูใช้ความนิ่งดูความเคลื่อนไหวแห่งใจของเราดูมันปรุงอะไรมันต่อเติมแต้มแต่งเสริมอะไรอยู่ดูให้เห็นให้หมดไม่งั้นไม่เรียกว่านั่งทางในเขาเรียกว่านั่งไปหลับตาเล่น ไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรสุดท้ายไม่รู้ทําไปทําไมเอองั้นก็เลิกใช่โยมออมีแต่เขาบอกให้ปฏิบัติองค์นี้บอกให้เลิกไปชดประชดประช ด, ประชดทําไมก็บอกปฏิบัติไม่มีตัวรู้เลยลึกตัวสติมันก็มีเวลาลึกรู้ สัพพัญญก็บอกรู้สึกตัวทั่วพร้อมปัญญาก็คือรู้แจ้งถ้าไม่มีสักรู้หนึ่งอาตมาก็ว่าก็ไม่รู้จะปฏิบัติอะไรเหมือนกันเหมือนนั่งเฉยๆแล้วบอกว่าดี แตมาว่าไม่ใช่ใจสงบัหยสัมผัสใจดูใจสงบไ้ยใช้ใจสัมผัสวาจาสงบไ้ยใช้วาจาสัมผัสกายสงบไ้ยใช้กายสัมผัสยมสัมผัสชีวิตดูสิยมไม่พิสูจน์ตัวเองเลย ทำไมไม่พิสุด์พิสูจน์ได้ทุกเวลาธรรมะของเราพิสูด์ได้ทุกเวลาโยมดูใจสิมันร้องหไห้ัหมมันยังเสียใจไหมมันยังโศกเศร้าไหมมันพิไรรำพันกับสิ่งไหน เอาชีวิตสัมผัสหัวใจตัวเองนั่งดูจิตนั่นแหละเดี๋ยวมันจะบอกเราว่ามันอยู่ที่ไหนใจดวงนี้มันติดอยู่ที่ไหนจิตดวงนี้มันหลงยึดอยู่กับสิ่งใดวิญญาณนี้แต่มาไม่เคยปล่อยสิ่งนี้เวลาปฏิบัติ ต่มาเข้มงวดพอสมคว ร, เ อ, รเอาจิงเอาจรงพอสมควรใช้ว่าพอสมควรนะไม่สุดโตทุกอย่างยืดหยุนได้ร่างกายจึงหายใจเข้าออกได้ท่านแน่นไปหมดร่างกายไม่ยืดหยุนลมเข้าจะไม่ออกลมออกจะไม่เข้าเรื่องจริงดูให้ดี สัมผัสดูสิมีหน้าในเรื่องสูตรหนึ่งของสัญญาสิบมีอยู่ในสัญญาข้อนหนึ่งสรรเสริญคุณแห่งธรรมชาติอันปรานิษธรรมชาติที่ปราณิต อะไรปราณีธรรมชาติต้นไม้หรือลำธารภูเขาแผ่นดินหรือทะเลทั้งหมดคือธรรมชาติโลกที่มีอยู่ที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นมานั่นคือธรรมชาติก่อร่างสร้างมาจากการละเวลา ด้วยเหตุด้วยผลแห่งการเวลามันจะสะสมแร่ธาตุทุกชนิดทุกอย่างยมเข้าใจแค่ไหนความผสมผสานที่ลงตัวมันไม่เคยอาฆาตพยาบาทไม่เคยโกรธแค้นแต่บางครั้ง มันเกิดภัยพิบัตินั่นก็โดยธรรมชาติไม่ใช่เกลียดชังไม่ใช่ต้องการล้างแค้นไม่ต้องการความโกรธสนองแต่มาก็นั่งดูดธรรมชาติให้ชีวิตบางครั้งก็ฆ่าชีวิต ทะเลยมว่าสวยใช่ไหมวันนี้สวยวันเกิดสึนามิมีใครบอกทะเลสวยบ้างปล่าไม่มีใครว่าสวยแต่ว่ายมมองเข้าใจแค่ไหน ธรรมชาติก็มีความตายโยมรู้หรือเปล่าธรรมชาติเคยบอกโยมไหมว่าเขาก็มีความตายที่แฝงอยู่และก็มีความเกิดแฝงอยู่ด้วยร่างกายนี้เป็นธรรมชาติโนะยมดินน้ำลมไฟโยมนึกดีๆใช่ไหมกระดูกเป็นดินหรือเปล่ายเลือดน้าเหลืองนิน้า หายใจในอาศัยอยู่สูบฉีดปั๊มหัวใจอยู่ก็คือสภาพลมแม้เอนน้อยใหญ่ก็ต้องใช้ลมขับเคลื่อนไม่งั้นไฮโดรลิกไม่ทำงานนะเชื่อหรือเปล่าแรงดันไม่เกิดนะมันต้องมีออกซิเจนของเหลว จัดเป็นอะไรโยมว่ามันไม่ใช่น้ำรือเป็นลมมันยกเราใช้มันทั้งหมดแม้แต่ธาตุไฟแต่ไม่ใช่กองไฟธาตุไฟมันก็จัดเป็นแม่ธาตุแสงอาทิตย์ก็จัดเป็นแม่ธาตุอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อน เขาเคยทดลองเอาหัวไม่ขีดตั้งเอาแว่นที่ขยายสองผ่านพระอาทิตย์หัวไม่ขีดติดไฟนะเคยเล่นไหมแต่มาเคยเล่นเอาหัวไม่ขีดตั้งเอาแว่นขยายอันใหญ่ๆตั้งแดดส่องมาก็หาโฟกัสดีๆก็เล็งเข้าไปที่หัวไม่ขีดแดงๆ สักครู่หนึ่งติดถ้าไม่เคยเล่นไปเล่นนะสนุกดีแต่ามาเลิกเล่นแล้วโตวแล้วแต่อย่าไปเผาบ้านเขาหนาในร่างกายเราก็เป็นแม่ธาตุซ่อนความตายแล้วก็มีทั้งความเกิดในตัวมันเอง ถึงเวลาเขาก็มาหมดเวลาเขาก็จากธรรมชาติกับร่างกายไม่ต่างสักเท่าไหร่มนุษย์แม้จะยื้ออยู่ก็ตามสักกี่ปีสักกี่วันและสักกี่เดือนเติมเข้าไปเองและเขาก็ไปเวลาไปบางทีเขาไม่ได้บอกลาเลยหลายคนเจ็บใจ ไปไหนก็บอกลากันทุกครั้งแต่ครั้งนี้ทำไมไม่บอกลาก่อนเขาเสียใจก็บอกเพราะไม่รู้ว่านี่คือครั้งสุดท้ายที่พูดกันที่มองกันที่เห็นกันที่ได้สัมผัสอาตมาก็บอกเมื่อเขามาเขาก็มาเมื่อเขาไปเขาก็ไป ทำไมต้องติดใจด้วยใจเราเป็นธรรมชาติได้แค่ไหนเข้าถึงแค่ไหนความเกิดตายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติใจต้องเข้าถึงคำว่าเกิดตายหรือเกิดดับกฎข้อที่หนึ่งต้องรับให้ได้เกิดดับเกิดตายพบจากเจอพัดพลาด มียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบมีสรรเสริญนินทาทุกอย่างมีสิ่งคู่กันมาทั้งหมดกลางคืนสว่างคู่กันมืดสว่างเตี้ยสูงดำขาวพิษถูกดีชั่วบุญบาสนรกสวราคู่กันหมดหญิงชาย นายบ่าวรวยจนสุขทุกข์คู่กันทั้งหมดดำขาวอ่อนแข็งมันมีสิ่งคู่กันทั้งหมดร้อนเย็นยมจออะไรอีกงามไม่งามแข็งแรงอ่อนแอเห็นไหม เข้าถึงไว้ธรรมชาติอันประรานิดนามากตอนนั้นอ่านก็ไม่รู้หรอกธรรมชาติประราณนิดเออหล่นอนนั่งใต้ต้นไม้ลมพัดเย็นเออประหานิดดีเนาะสบายดีไม่มีอะไรมาขวางหูขวางตาเออธรรมชาติมันดีอย่างนี้เองตื่นตืนคิดแบบนั้นมันตื่น แต่อย่าลืมว่าน้ำตื้นฆ่าคนตายมาเยอะเหมือนกันนะมีพระอยู่รูปหนึ่งบทจะจากไม่ได้บอกใครเลยเดินไปเล่นแถวขอบสะตัวเองมีโรคประจำตัวลมบ้าหมูชักกลิ้งตกลงไปใน น้ำก็ไม่ลึกไม่ได้ว่าท่วมหัวท่วมคออยู่เอาหน้าคว่มลงตายไหมต่อให้น้ำหัวเข่าก็ตายตาตุ่มก็ต้องตายเพราะขาดออกซิเจนตาย ไม่ได้บอกใครเลยพระยังรออยู่เนหะ็นท่านเดินไปเป็นพระสายปฏิบัติ ด, ด้วยรู้จักกตมาดีด้วยอยู่ๆบอกท่านมรณภาพมรณภาพลิ้นพันเลยโยมเว้ยมรณภาพฟังแล้วงงอะไรนะ ก็ยังดีอยู่เขียงเรื่องบอกท่านชักไปเกิดตรงนั้นไม่มีใครด้วยแล้วหน้าไปคว่มลงน้ำเสียชีวิตไปแล้วเกือบยี่สิบปีแล้วท่านบอกลาใครบ้างท่านรู้ตัวไหม ใครจะร้องให้ถ้าร้องให้คนตายวันหนึ่งท่านต้องร้องให้กับตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ต้องตายธรรมะเคยถามตัวเองจะร้องให้ความตายไหมถ้าทุกคนร้องถ้าทุกคนตายแล้วเราเสียใจเราไม่มีน้ำตาอีกแล้วชาตินี้ร้องให้คนทั้งโลกถ้าคนนั้นเรารัก สัมพันธ์กับเราหมดเราจะร้องจนไม่มีน้ำตาและเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างการร้องให้ความเสียใจความโศกเศร้าเราเปลี่ยนอะไรได้บ้างกับชีวิตของคนนั้นไม่ได้และตัวเรามีอะไรดีขึ้นบ้างร้องให้เปล่าใช้ปัญญาแล้วทำไม เราต้องร้องให้ฟูมไฟมากมายขนาดนี้เข้าใจไหมทีนี้งั้นโยมจงร้องให้เสวันหนึ่งเราต้องตายพ่อแม่ต้องตายลูกหลานต้องตายพี่น้องต้องตายตัวเราต้องตายร้องสักกี่ครั้งร้องทิโยม อนุญาตตอนนี้เสียใจไหมว่าตัวเองต้องตายแล้วก็จากทุกทุกอย่างที่มีอยู่ตอนนี้ไรนาสวนตึกรามบ้านช่องทรัพย์สินทุกชนิดเงินทองโยมต้องจากหมด เสียใจไหมรู้เลยอย่างธรรมชาติสอนอะไรเกิดดับเหมือนไฟกระพริบเกิดดับแสดงว่าเราอย่างไม่รู้แจ้งใจท่านไม่สงบว่าจะไม่สงบ เห็นไหมโยสุดท้ายกายก็ไม่สงบตามบกธรรมชาติประาณนีตเป็นอย่างนี้เองตอนนั้นกำหนดยังไงไม่ต้องบอกกำหนดอ่านนะึกว่าจบแค่นี้ อ, อ๋อสุดสำเร็จจริงๆไม่ใช่มันแค่เป็นโจทย์อธิบาย ความเข้าใจในคนคนหนึ่งในตอนตอนหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดตมาบอกปัญญาเนี่ยมันจะแยกแยะอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เชื่อตามตามกันมาหรือสืบสืบกันมาแล้วสิ่งนั้นคือใช่ตมาบอกคุณไม่บรรลุเพราะเราไม่ได้รู้จริงๆ เราไปเรียนจำมาแต่ยังไม่ได้เรียนจริงเป็นไงโยมธรรมชาติปาะณีตทั้งให้ความเกิดและความตายเขาช่วยชีวิตเราทุกวันนี้หายใจมีชีวิตแต่วันหนึ่งลมก็ฆ่าชีวิตคนไม่น้อยเห็มนมโยมทอร์นาโด เป็นสว่านหมุนอยู่กลางทะเลขึ้นฝั่งจะขึ้นรัตไหนก็แล้วแต่จะเป็น F ไหนจะปรับ F5 F6 โอ้โหถ้า F6 F7 ขึ้นไปนะไม่รู้มีมนะถ้า F8 เมื่อไหร่เราจะมาบอกโอ้โหนี่จะมาเกินเองหรือเปล่าก็ไม่รู้มีกี่ F มันยมดูเองแต่5 F เนียมีแน่ แผ่นดินก็เหมือนกันบอกลิ ต, ตร์ลิ ต, ตร์ยมอย่างเรียกว่าเพราะนะมันไหวกี่ลิ ต, ตร์สะเทือนเท่าไหรความหมายอย่างนั้นยิ่งแรงเท่าไหร่ลิ ต, ตร์ก็มากขึ้นแผ่นดินให้ชีวิตใช่ไหมยมจะหยยบย่ําอยู่ไปจะตอกตึกอยู่ไปจะจะเพราะปลูกทำไปเขาให้พืชพันธัญญาหาร ให้ที่อยู่ยังสุขสำราญแต่วันหนึ่งเขาก็ไม่เที่ยงธรรมชาติชีวิตเราก็เป็นธรรมชาติมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงเจอกันทั้งสองอะไรจะเกิดขึ้นบ้านพังในยมเห็น ไ, ไหมน้ำไหลโคนลนถล่มพายุ กระนำบรสุมก่อตัวทะเลบ้าคลั่งแผ่นดินวันไหวท้องฟ้ามืดครึ้มฟ้าผ่า เ, เปรียงตลอดอย่างเรียกว่าเปรียงนี้ไม่มีคนตายตายทุกปีสัตว์ก็ตายคนก็ตายเครื่องจักรก็ยังตายเลยเจอฟ้าอย เรียงเดียวเนี่ยรับโหลดไม่ไหวโยมมาเป็นล้านโววตบุ้มที่นี่ยังเคยลงอยู่กระเบื้องบนหลังคากระเด็นตกลงมาโชคดีวันนั้นรถไม่จอดตรงนั้นปะเอาขนาดนี้เลยหรือเห็นไหมโยมลง ต้นไม้ตายไปต้นหนึ่งเปรียงสายไฟที่อยู่แถวนั้นต้นไม้เปลือกนิฉีกแล้วก็สุดท้ายก็ตายตายไปซีกหนึ่งก่อนตอนแรกทึงบอกฟ้าทลม่มดินถลายภูเขาแตก ทะเลบ้าคลั่งชีวิตสับสนมนุษย์ไร้น้ำใจโหดร้ายไม่ปราณีสุดท้ายดินขาดป่าฟ้าขาดฝนคนขาดน้ำใจโลกนี้ถึงการบรนลัลอาวสารอาโหสิไม่มีอาภัยไม่มี เกิดกรียุกธรรมชาติผิดเพี้ยนไม่มีฤดูการแน่นอนชัดเจนเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่รู้หน้าฝนตอนไหนไม่ต้องมากปีนี้หน้าฝนเมษา ย, ยนโยมจะบอกเกิดจากพายุเข้าอะไรก็แล้วแต่แต่ปีนี้รู้ว่าฝนตกเมษาจะจะตกมายาวยืดเลยโยมข้าบรรษาหายไปครึ่งเดือนเดือนครึ่ง เปลลหิมะลงฤดูที่พูดตรงนี้มันมีรางทั้งนั้นไลยโยมหิมะห ล, ลงฤดูใบไม้ผลิออกผัดเปลี่ยนนะไม่ฤดูไหนต่อไปโยมจะบอกเออระวังไว้ภัยธรรมชาติมีความวิบัติ และภัยพิบัติเกิดจากมนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติจะกลับมาทำลายมนุษย์มนุษย์สร้างสารเคมีมากมายกลายเป็นเชื้อโรคใครรู้หรือเปล่าทุกวันนี้โจทย์หากันจังเลยเชื้อโรคตัวนี้เกิดจากอะไรผสมผสานกันว่าไปตามฟิสิกส์เคมีว่ากันไปจริงๆยมรู้ว่ามันมาจากมนุษย์สร้าง สิ่งเสียยออกมาเยอะมากของเสียและมันก็จะกลับคืนมาสู่ร่างกายของมนุษย์และคืนกลับมาสู่โลกที่เราอยู่แม้แต่น้ำดืม่มโคคลองหนองบึงอากาศแม่น้ำสุดท้ายก็คือทะเลสืบไปถึงมหาสมุทรอันตรายนะ อันตรายแต่มายิ่งดูบอกเออฟ้าคำรามเมื่อก่อนได้ยินแต่สิงโตคำรามมันก็ค่อยบอกเราแต่ทุกอย่างมันมีการสมัยโลกใบนี้เกิดดับมาหลายครั้งยมอยากเข้าใจว่าเพิ่งมีโลกใบนี้โลกเดียวแล้วเพิ่งมีพวกเราเพิ่งมาอยู่ ในยุคต้นๆของโลกใบนี้บอกเก็บความเข้าใจนั้นใส่กระเป๋าไว้ก่อนเราเหมือนต้นหญ้าต้นเดียวในโลกใบนี้เทียบอะไรไม่ได้เลยเหมือนสะเก็ดหินบนหน้าผาใหญ่ท่าโลกใบนี้เพียงสะเก็ดเดียวเทียบอะไรไม่ได้เลยเหมือนชีวิตหยดหยดเดียวของในมหาสมุทรเทียบอะไรไม่ได้เลยเหมือนมเมล็ดซามเมล็ดเดียวในผืนแผ่นดินเทียบอะไรไม่ได้เลย ยิ่งใหญ่ไหมพวกเราอยอมว่าตํางบอกเทียบไม่ได้เลยอยอมจะใช้ซอยให้ละเอียดยังไงก็ไม่มีอะไรมาเทียบไม่มีสูตรเทียบได้เลยแต่ระวังสารเคมีกำลังก่อตัวเป็นเชะโรคโรคใหม่ๆเริ่มเกิดขึ้นวันหนึ่งจะถึงจุดมนุษ จะถูกล่าเราไล่ล่าเขามานานแล้วใช่ไหมออไล่ล่าสัตว์โลกมานานทำลายทุกอย่างในโลกใบนี้ที่มีอยู่เพื่อคำว่าผลประโยชน์แม้เด๋ยนนี้อากาศก็เป็นพิษแล้วเรือนกระจกก็เยอะเลือกเกินสารเคมีทั่วไปหมดที่ฝังดินที่โบกปูนทับอีกไม่รู้เท่าไหร่ รังสีถ้ารู้และยมจะกลัวนะเขาเป็นความลับยิ่งทางทางหารเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยอะไรก็ไม่รู้ระเบิดเวลาเขาฝังไปหมดแล้วยมย่านึกว่าบนดินนะใต้ทะเลก็ยังมีตอนนี้และพอเกิดอะไรขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็จะสมทบอีกส่วนนะ่ะ ตอนนี้ดูไม่เห็นใช่ไหมเออมันอยู่แถวก้นนี่ไงพอมันเกิดอะไรขึ้นมันจะฟ้องไปเรื่อยๆมันจะผสมลงเข้ามาแต่สิ่งที่รู้ตอนนี้สารเคมีทั้งหมดกำลังกลายเป็นเชื้อโรคและไม่จบนะต่อไปจะได้ข่าวบ่อยปิดเมืองปิดประเทศนั้นปิดประเทศนี้เพื่อ ไม่ให้การแพร่ระบาดและสิ่งที่ก็โกลัวที่สุดคือมากลายพันธุ์เราะวังนะตัวยีนถึงบอกเออมนุษย์มีเวลาเท่าไหร่นอที่จะสร้างบารรมี บางคนคิดแค่ร่างกายปากท้องแต่ไม่เอาจิตวิญญาณไม่ระลึกถึงกฎแห่งกรรมที่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายโยมรู้ไหมพระพุทธเจ้าโปรดผู้ที่โปรดได้ใครที่โปรดไม่ได้ยังไม่โปรดริงบอกว่าใครที่เข้าขายพระญาณ พระองค์จะโปรดบุคคลนั้นแต่บุคคลที่โปรดไม่ขึ้นปะทะประมะผู้ที่อยู่ใต้น้ำเมืออว่าโปรดไม่ได้เดินเมาถือขวดเหลามาเจอพร ะ, ะนิมนฉันหน่อยไหมเดยวเมื่อควรโปรดไหมมันชวนพระกินเหล้าเดือนโซเซอหลวงพี่สแก้วไหม กินแล้วจะดีขึ้นทำมาก็นึกอันเนจารีบกินเดี๋ยวก็ตายแล้วกินมากๆเดี๋ยวก็ตับแข็งก่อนหยุดได้แล้วหยุดสงบวาจาอะไรอย่างของที่มีพิษภัยทั้งหมด ใหญ่ยังไม่หยุดเสยบอยู่ทมไมกายไม่สงบบางคนปฏิบัติพกบุหรี่แอบซ่อนไว้ในกระเป๋าได้เวลาเดินลงกันล่างอัดใหญ่เลยบึบบึบบบโอ้โหคำมาว่าลูกศิษย์ป้าจายนนี้สูบบุหรี่เก่งกว่าคนธรรมดาดูดดทีละสองมวนทำเวลาเดี๋ยวต้องไปทำวันเย็นเหลือเชื่อ คนธรรมดาดูดเทละมวนอันนี้ทําเวลาไม่ได้ดูดมาวันนึงแล้วเอาสองมวลเลยทกใหญ่เลยปึ๊บ ป, บปบคนขี่รถเครื่องผ่านบอกพระอาจารย์ลูกศิษย์พระอาจารย์เก่งกว่าพวกผมอีกพวกผมเทลามวน ล, ลูกศิษย์พระอาจารย์เทละรสองตมาแล้วมีหน้ามีตามากเลยฟังแล้วภูมิใจวันหนึ่งอาจจะมีสามมาก็ได้สูบเทลารสามใส่จมูกไปด้วยสองเข้าปากหนึ่งทอกเลยโยม ทำเวลาเดี๋ยวต้องไปรีบทำวัดเดี๋ยวไม่ทันกายไม่สงบใจไม่สงบมันฝักใฝ่ในสิ่งนั้นเพื่ออะไรประโยชน์มีตรงไหนโทษเห็นมองไม่เห็นธรรมะยิ่งไม่เห็นจำคำนี้โทษเห็นมองไม่เห็นธรรมะยิ่งไม่เห็นสั้นดีไหม โทษเห็นเห็นมองไม่เห็นธรรมะยิ่งไม่เห็นดีนะคำนี่ขนาดโทษที่เห็นอยู่แล้วโยมยังไม่ละลึกเลยละลึกแล้วโยมก็บอกเออช่างมันช่างไปกี่โลแล้วละโยมมันมากไปแล้วหยุดยกายไม่สงบ เพราะไม่รู้แจ้งทำไมไม่ให้ร่างกายอยู่กับเรานานๆถนอมเขาไว้สิถนอมไว้เอาสิ่งดีๆให้เขาดื่มนมทานผ ล, ลไม้อาหารบวดหมูก็ให้มันได้สักห้ามบมวดก็ยิ่งดีนี่คือสิ่งที่โยมต้องปฏิบัติให้กับร่างกายรักเขาไม่ล่ะ รักเขาทำให้เขาสิ่งดีๆแลวเขาจะอยู่กับเราแบบเป็นมิตรเมื่อโยมเริ่มประกาศเป็นศัตรูเขาเมื่อไหร่เราว่าวันหนึ่งที่เขาเจ็บป่วยเขาจะไม่ปรานีร่างนีนะ้เขาไม่อยากจะอยู่เลยเขาอยากจะไปแล้วบอกปลอดจ้าตับลากรหมอกำลังรับมิตร ปอดมันพูดกับตับนะปอดจ๋าตับลากอนนะปอดก็บอกเออไปเถอตับปอดก็จะไปเหมือนกันแต่มันคืนยังดูดดึงดันอีกปอดก็ไม่อยู่แล้วมันหมอกไปหมดข้างในมองไม่เห็นแล้วยอมลลงนึกดูบุหรี่ตัวหนึ่งยอมหลงพ่นควันใส่อะไรไว้ใช่หโอ้โห มันน้อยเมื่อมอะไรโอบางคนนี่เล่นบังกันชาเลยโยมทกทีโอ้โห و, มันก็ศิลล่าพ้นไฟโยมพ้นไม่ว่าน้ำไหลหยดหยอดอีกพูดไปแล้วยังนึกภาพได้ น, นั่น่ยเคยเป็นกดศิลล่าหลายปีกันพ้นโอ้โหโยมวันนี้ ท่อนิ้วครึ่งนิชิดไปเลยยบออกสองนิ้วบางบูถ้ายังไม่หยุดตอนนั้น่อมาก็คงหัวใจต้องคุยกับปอดแล้วละ่ะปอดต้องบอกหัวใจจ๋าปอดลาก่อนแล้วมันลาไปทีอะไรอย่างยมจะอยู่ได้ไหมเนี่ยอยู่ไม่ครบกายไม่สงบ ทำไมต้องกระสันกับสิ่งเสพติดถูกไหมของแค่เนี้ยของมีโทษมองไม่เห็นถ้าเป็นธรรมะโยมก็ไม่เห็นมันแน่นอนของเห็นเห็นมีโทษมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่เห็นยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยเอานะสรุปยุติแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุข ท่านทุกคนเธอ